ต้นเดือนกรกฎาคก็ท่านสมิก็ได้เก็บอารมอย่างอะไรบ้าให้มาเล่าประสบะการณเก็บอารมอย่างเก็บอารมอย่างําว่าเก็บอารมณ์ <c oughs> ในที่นี้หมายถึงว่าที่วัดก็จะให้โอกาสผูท้ที่มาเก็บอารมณ์ก็ให้โอกาสทุกๆอย่างเพื่อที่จะปฏิบัติ จะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปควรแบบว่าทำมัดชาทำมัดเจนไม่ต้องทำนะฮะแล้วก็จะจัดอาหารรับอาหารไปบครั้งหนึ่งก็ให้พอเพียงวันหนึ่งเจอหน้าคนเหมือนครั้งตลอดเวลาอย่างเงี้ย น, นะฮะแล้วก็ให้ให้ปฏิบัติให้ต่อนม่กนะก็อันนี้เราเรียกว่าเก็บอารมณ์นะฮะ ก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นทํากันมาสามปีตอนนี้กันนะก็คือสี่สิบวันก่อนเข้าครรษานะก็จะดตังหนิงก็จะเป็นหนึ่งคนที่ได้ได้โอกาสตรงนั้นะก็เลยว่าว่าทำอะไรยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงกันบ้าง <c oughs> เกิดอะไรขึ้นบ้างในสี <c oughs> ่สิบวันอย่านั้ นะครับนีบทนั่งสื่เป็นฟังเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการข่อความข้อมูเรียนรู้ครับก็เป็นหรือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์เล่าประสการณ์ส่รนฟังก็ ปกติก็ก็ก็เป็นมีภาระหน้าที่เป็นพันลงดที่วัดมาดูดูแลน้ำดูแลไฟก็ช่วงเก็บปันลงก็ได้มอบหน้าที่ให้พระอีกรูปหนึ่งช่วยดูแลให้ก็ไม่ได้ทำทำทำงานอะไรสักอย่าง วางให้หมดวางก็เป็นช่วงที่ปฏิบัติเข้มหรือว่ากรรมฐ า, านเข้มสี่สิบวันรวมเป 40, ็นสีสิบวันก็ก็มีพระร่วมกันก็สักประมาณสักยี่สิบลูกได้ยีรร่สิบกว่าลูกได้จากที่อื่นด้วยที่มาร่วมปฏิบัติธรรมบางลูกก็ที่ท่านมาจากที่อื่นท่านก็ าการเต้นอยู่การเต้นอยู่ตามป่าไผ่ตามป่าช้าบ้างตามาตาาสลับฟักสดบ้างการเต้นอยู่แล้วก็พ่อใหญ่พ่อเกียณนักปมเนี่ยก็เป็นพระผู้ใหญ่ก็การเต้นอยู่การขดอยู่ที่ลานโพงแล้วก็มิชีทั้งพ่อขาวแม่ขาวเนี่ยก็อยู่ ร, บรอบๆป่ายานลานโพงแถวนั้นก็เต็มหมด ซึ่งเป็นบรรยากาศก็เั้ือนอยู่กลาง อ, อยู่กลางเดืนกินกางทรายกันอยู่อย่างนั้นเลยฝนะตกหนักๆ ก, ก, ก็ท่านก็นอนอยู่อย่างนั้นแต่ละมาก็อยู่กุฏนะิก็มีกุฏิอยู่ก็ก็ได้ลงมาก็ถือโอกาสว่าให้โอกาสที่พระมาจากที่อื่นนะให้การปวดก่อนนะก็มีเวลาปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องสีนะ่สิบวันก็ ในในตางท่านก็บอกว่ า, าการเก็บอรรมนี้ท่านก็ไม่ให้ออกมาไม่ไม่ต้องออกบินนบาทนะไม่ต้องออกมาทําวัดก็ให้ปฏิบัติอย่างเดียวตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ปฏิบัติเดินชลโทมยกมือสร้างจังหวะอย่างที่เราทำทั้งวันก็มีเวลาพักก็ช่วงที่เวลาที่เดินลงไปรับประทานอาหาร ช่วงประมาณเจ็ดโมงเดโมงคึ่งก็จะมีเป็นช่วงที่ไปรับอาหารที่ศารา น, นาแล้วก็มาฉันฉันเสร็จสักแปดโมงคึ่งก็ลงสนามเลยเดินตรงกรมจนไปถึงเพนจนถึงสบิบเอ็โมงพอสิบเอ็ดโมงก็ฉันเพนพอดีที่ที่วัดก็จะฉันมื้อเดียวแต่ว่าในช่วงปฏิบัติก็จะมีพิเศษก็เหมือนแต่ว่า พระที่เก็บบรมก็จะใช้พลังงานเยอะในการเคลื่อนไหวในการเดินจงกรมก็อาจจะมีการปีติโรยกันก็จัดเตรียมให้ก็มีเข้าห่อให้ก็สิบเอโมงก็ฉันเต็นฉันเตนเสร็จก็ล้างบาตรล้างอะไรเรียบร้อยก็สิบเอ็ดประมาณสิบเที่ยงคึ่งก็ลงสนามเลยก็เดินจงกรมยกมือสร้างกันว่า ก็อยู่อย่างนั้นน่ะก็ทำอยู่อย่างนี้ไปจนสี่สิบวั น, นก็มีก็ก็รู้สึกว่าอา่อาอ่ามันจะเป็นประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามานะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดอา่าก็หลายรูปเหมือนกันที่บางครั้งที่ ค้ายว่ า, าท่านเข้าไปอยู่ในความคิดหรือว่าเาครียดอย่างนี้ก็ปฏิบัติ ด, ดูไม่ถึงสี่สบวันก็มีาบางลูกก็กลับกลับก็มีบางบางลูกว่ามีภาระหน้าที่หรือว่าอาจจะอารมณ์พาไปก็มีปฏิบัติไปสักสิบกว่าวันสิบกว่าวันยี่สิบวันนี่ก็เริ่มจะเริ่มทุรนทุนลาย จะเริ่มปรุงแต่งจะเริ่มคล้ายๆว่ า, าจิตที่จิตที่เคยทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยอยู่อย่างนั้นนานๆบางครั้งมันก็บีบหรือว่าให้ให้ออกจากให้ออกจากการปฏิบัติได้ง่าย <S <S มี ม, มีมีหลายรูปเหมือนกันหอบบาดหอบกดกลับก็มีเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนกับว่าบางครั้ง เราก็จะรู้นะเวลาปฏิบัตินานๆเนี่ยถ้าทําแบบถ้าเกิดทํางานหรือว่าทํอย่างอื่นเนี่ยมันก็ยังเพลินไกับงานนะได้เดินไปนู่นเดินไปนี่ได้ทํานู่นทำนี่ได้พูดคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างไอันนี้ก็อารมณ์ก็คลายมันก็ไปเรื่องใหม่เรื่อยๆก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอได้อยู่กับอยู่กับยูกับตัวเองหรือว่าปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่พูดไม่จารกับใครเลย ก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มปวดดันแล้มันจะเริ่มปวดดันมันจะเริ่มทุกข์ถ้าเราถ้าเราไม่มีสติหรือว่าไม่ไม่ไม่เวลาไม่ผ่อนคลายหรือว่าไม่เรียนรู้ก็จะเริ่มเริ่มดีบก็หลายรูปเหมือนกันอืแต่ก็ก็ช่วงอช่วงปฏิบัตินี้ก็จําได้ได้นะก็ก็ไม่ได้ไล่เลียงมาก็บางฟีมก็ลืมมันก็ไม่ได้ เอาเท่าที่นึได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดมาเยอะมากเกิดทั้งสิ่งที่เป็นผู้สนทั้งที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นมาที่ที่ที่เราปฏิบัติจะเป็นอดีตก็ดีจะเป็นอนาคตก็ดีภูมิแต่งนะเหมือ น, นกันจะผู้ปฏิบัติจะเจอปัญหาเหมือนกันจะมี แต่มีไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าชนชาติไหนเหมือนกันจะเป็นพุทธคิดอิสลามหรือว่าจะเป็นคนจีนคนฝรั่งคนอะไรก็เหมือนกันจะมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันจะปฏิบัติถ้าปฏิบัตินี้ก็เป็นจะเป็นสากลจริงๆไ ม, ไ, ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นฝรั่งไม่ได้ว่าเปนคนจีนก็จะเจอเหมือนกันจะเจอความ ปรุงแต่งเรื่อความหลงอย่างนี้เหมือนกันอย่างอย่างอย่างที่พระอาจารย์นรสไปสอนที่เมืองจีนแต่ที่อาจารย์นรเล่าให้ฟังว่าคนคนคนจีนนี้เขาเป็นคนที่แบบปฏิบัติได้เอาจริงเอาอจังมากเดินรงกลมหรือว่ายกเงินสร้างยาวานยันทั้งวันอาจารย์นรว่าเดินก็มีนะมีบางครั้ง เวลาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพไปสอนธรรที่เมืองจีนก็คนจีนก็กลับมาปฏิบัติที่สุโขทัยก็ปฏิบัติแบบอันนี้มันปฏิบัติแบบขยันมากคุณจีนคนอาจจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเน่ยเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังคนจีนแต่ก็ได้ผลนะแล้วก็ถ้าถ้าทําจริงเน่ยหลงปู่เทียนเขบอกว่าถ้าทําจริงก็เห็นจริงก็มีบวชที่วัดก็มีก็มีพระจีน แล้วก็มีเม่ทีคป็นปีนด้วยตอนนี้ก็ช่วงล่าสุดนี้ท่านชื่อท่านหูกวางท่านหูกว่างเป็นพระปีนพูดภาษาไทยได้คล่องแล้วตอนนี้มาอยู่แค่ปีเดียวแต่ว่าท่านแบบว่าท่องเที่ยวในยุทธภพหรือว่าท่องเที่ยวไปทั่วทั่วประเทศไทยเยอะกว่าเยอะกว่าเราที่อยู่เป็นคนไทยอีกด้วยซ้ำท่านไปหมดเลยไปทั้งภาคเหนือภาคไปทั้งแค่ไปทั้ง สิงบุรีไปสารการไปไหนไปทุกไปทุกไปทุกอนนกทนตที่ที่ที่ที่เป็นที่เป็นสาขาหลวงปู่เทียนท่านไปหมดท่านก็วันนั้นก็เป็นการมาเล่าเหมือนกันว่าท่านปฏิบัติมาน่าจะสองพรรษาหรอกครับสองปีพ่ะย่ะยังนะแต่ท่านก็ท่านก็เห็นเห็นเห็นเห็นชัด ก็มาเล่าวันนั้นเป็นการที่แบบอาจารย์โน้ตให้มาให้มาเปิดให้มาเปิดใจหรืว่าให้มารายงานเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติธรรมเป็นยังไงสี่สิบวันแต่ว่าท่านคุกงกวางท่านก็เลยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เข้า อ, อบสี่สิบวันแต่ว่าท่านก็ถือว่าปฏิบัตินานเหมือนกันแต่ว่าท่านก็ปฏิบัติที่วัด ท่านต้ปฏิบัติเข้มนะไม่ได้คุกคีกับใครทั้งปฏิบัติทั้งวันนะแต่ว่าท่านก็เห็นรู้สึกว่าท่านจะเห็นชัดเห็นเห็นเห็นมีสติแล้วก็คล้ายๆว่ า, าพูดพูดพูดได้ยังไงอะพูดได้พูดอย่างบนหลวงปูเทียนพูดว่าานั้นท่านก็ว่าอย่างนั้นเห็นได้ชัดเจนมากนะ ก็ดีนะก็เราก็ว่ามันก็รู้เหมือนกันรู้อย่างที่เราทำอยู่นี่นะไม่ว่าชมชาติไหนสนะาหรับอัตอมานี่ก็ไปเรื่อยๆอย่างกันก็ปฏิบัติก็เห็นเห็นเวลาที่ <c oughs> อาทิตย์แรกเนี่ยอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกนี้รู้สึกว่าแม้กระทั่งว่าเราปฏิบัติตูวเรื่อยๆ พอเข้ามาในสนามหรือว่าพอเข้ามาในกรอบอในช่วงที่เก็บอารมณ์เนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะเอากิง่งเหมือนกันมันก็เริ่มจะเอากิง่งเหมือนกันบอกว่าภายในสี่สิบวันนี้จะเอาให้รู้ให้ได้เพราะ ง, งั้นจะเอาให้บรรลุให้ได้มันก็เริ่มจะเอากิง่งเหมือนกันแต่พอทําไปทํามามันไม่ใช่ทํามากมันจะเอาไม่ได้มันไม่มีอะไรจะเอายิ่งทํายิ่งทํายิ่ง ยิ่งทำยิ่งไม่รู้ยิ่งทํายิ่งออก่างยิ่งทํายิ่งมืดยิ่งมัวยิ่งนั้นไปยิ่งปวดหัวนั่นก็ว่ามันจะมันจะเอาให้ได้พอก็ก็ตอนนั้นก็พิจารณาเองว่าเธรรมะเนี่ยมันจะเราจะมามาม า, มาตั้งความหวังหรือว่าจะปฏิบัติเอาอย่างเข้่งครัดหรือว่าจะเอาให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโอ้วันผิดแล้วมันผิดตั้งแต่ตั้งแล้ว ก็เริ่มเริ่มเริ่มฝั่นออกมาเริ่มคลายออกมาทำไปทำไปเรื่อยๆคราวนี้ก็ทำแบบสบายๆทีแรกก็ทำแบบเดินแบบอย่างเร่งเลยเดิน <c oughs> เดินทั้งวันนะเดินแบบเร่งเลยเดินแบบจะเอาจะเอาจะเอารู้ให้ชัดเจนรู้แบบคล้ายๆว่า ความคิดหรือว่าความปุงแต่งนี้จะไม่ให้มันมีอย่างนี้นะแต่จริงแล้วการปฏิบัติทันนะมันมันไม่ถูกนะก็ได้ก็ได้มาฝันทายพอฝันทายมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นตอนที่แรกมีมันปวดหัวเหมือนกันนะปวดหัวมึนนะปวดหัวมึนมันแปว่ามันเป็น มันเป็นเบอเบอร์มันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเดินไปเรามีสติหรือเปล่าคล้ายๆว่าคล้ายๆว่ามันมันมึนๆมันมึนๆมันกับคนเมาเล่าอย่างนั้นน่ะมันกับว่าคล้ายๆว่าเอ๊ะมันทําไมมันใจไม่สบายทําไมมันไม่โล่งทําไมมันไม่ไม่ไม่อ่าร hey ู้แบบไม่สดชื่นรู้แบบมึนๆน่ะอันเดียว รู้แบบมันเหมือนก็เลยว่าโอ้อย่างงี้เราเราเราอาจน่าจะตึงไปน่าจะเข่งไปน่าจะเพ่งไปแบบ น, นี้ก็เลยผ่อนมาผ่อนมาพอมาทําแบบสบายสบายรู้ไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเรื่อมถอยออกมาเริ่มกลับมาชัดเจนขึ้นนะ ก, <c oughs> ก็ก็อาทิตย์แรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็น การการปรับร่างกายนะการปรับร่างกายของเราปวดแข้งปวดขามากอาทิตย์แรกปวดแข้งปวดขาแล้วก็เมื่อยนะอาทิตย์แรกนี่รู้สึกจะเมื่อยปวดแข้งปวดขาช่วงที่อาทิตย์แรกของเราก็เหมือนกันนะช่วงที่สองสาวันนี้ก็จะรู้สึกปวดเมื่อยใช่ไหมโยมมันเป็นการปรับนะน เ, ปนเป็นการเป็นการฝึกจริงๆริงฝึกกายฝึกใจจริงๆ กายตกใจจริงๆก็ค่อยก็ก็รู้นะก็ก็คายว่าเออประสบการณ์ของเรามันก็พอที่จะจําได้ว่าช่วงแรกมันจะเป็นยังไงถ้าช่วงแรกอะตมาก็รู้สึกว่าจะมีแบบมาผจญเหมือนกันแบบมีเป็นไข้เลยไข่อยู่อาทิตย์หนึ่งเป็นไข้อยู่อาทิตย์หนึ่งแค่คิดว่า ทีแรกก็ดีๆนะทีแรกก็ไม่เป็นอะไรแต่พอเข้าปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกไม่สบายเลยเป็นไข้เลยอยู่ดีๆก็เป็นไข้ขึ้นมาอก็ก็ลองก็ลองก็ลองพิจารณาอยู่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็หาสาเหตุอะไรไม่เจอเหมือนกันก็คิดอยู่ในใจอ่าวถ้ามันจะตายก็ตายเพราะปฏิบัติธรรมก็เอาก็ยอมตายถ้าเกิดมันจะตายเพราะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปแบบมึนๆอย่างนั้นอ่ะทั้ง ทั้งชั้นน้ำยานานนะของน้ํายานางหรือว่ายาอยาเงี้ยก็ชันไปด้วยปฏิบัติไปด้วยบางครั้งก็ยามันออกฤทธิ์มันก็ง่วงอย่างเงี้ยเออก็นอนนอนสักหน่อยพอนอนสักแป๊บหนึ่งที่มันที่ที่ยาที่ยาหมดฤทธิ์แล้วก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติต่ออย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็มาลองเหมือนกันนะว่าจะเอาจริงหรือเปล่าว่าการจะท้อถอยหรือเปล่าก็าไม่เป็นไร ก็ผ่านมาได้อาทิตย์หนึ่งปฏิบัติไปปฏิบัติมามันหายอย่โรคที่โรคที่มันเคยเป็นไอที่มันเคยปวดเมื่อยที่มันเป็นอ่าภูมิแพ้ที่มันเป็นอ่าไข้หายเลยก็พอดีว่าหรืยอว่าก็คิดเองนะอันนี้อันนี้อันนี้กูคิดเพราะไงทไ เออหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลอย่างเงี้ยนะก็เลยขวนน้ําให้เขาเออเอาเอาถ้าเกิดมีเวรมีกรรมอะไรก็เอาก็เอาเอาอันนีคิดไวเองนะว่าเขาอยากจะมาเอาส่วนบุญส่วนกุศลตัวแปรวุนวาก็เลยได้ก็เพื่หายไปอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มปฏิบัติเข่าที่ก็มีนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาพอร่างกายที่มันแข็งแรงแล้วเนี่ย ทีแรกมีหลวงพ่อองค์หนึ่งก็มาเล่าให้ฟังว่ามีอาจารย์อยู่ฝั่งแถวศาลาพักศุภเนี่ยเดินเดินตั้งแต่ชั้นเดินตั้งแต่ชั้นเสร็จถึงสองทุ่มโดยไม่ยอมนั่งเลยเราก็โอ้โหขนาดนั้นนี่และเราเดินแค่เราเดินแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่งชั่วโมงหนึ่งเดินชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงหนึ่งสลับไปสลับมาแต่อาจารย์ตรงนี้ท่านบอกว่าเดินตั้งแต่ชั้นเส็จ ถ, ถึงสองทุ่มเลยว่าอย่านั้นท <c oughs> ำได้ไง ฉันก็คงจะได้อารมณ์ท่านบอกว่าเออเราก็ลองทําดูเราก็ากตั้งแต่แต่ว่าเราไม่ทําเท้านะเอาสองเทนพอสองเทียนเสร็จเราก็ลองเดินดูมันก็ได้นะเถ็นทุ่มนึ่งอะโดยโดยโดยโด ย, โดยที่ไม่นั่งเลยก็ลองดูว่าคือมันจะไหวไหยร่างกายมันจะอร่างกายมันจะมันจะเดินไหวไหมมันจะเป็นยังไงเียก็ลองดูนะแต่พอทํำไปทํำไปเนี่ย ไอสิ่งที่เรากลัวเนี่ยอมันก็หายไปไอสิ่งที่ว่าเราทําไม่ได้หรือว่ามันจะได้หรื อ, ห ร, อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็หายไปว่ามันมันมั น, ม, น, ม, นมันขึ้นอยู่กับจิตเรานะว่าจิตเราจะสู้หรือไม่สู้หรือว่าจะยอมแพ้แค่ น, นั้นเองถ้าจิตถ้าจิตเราเนี่ยสู้หรือว่า ที่จะยอมรับหรือว่าเรียนรู้กับเขาเนี่ยร่างกายเขาก็สู้ได้เ ข, ได เ, เขาก็กลับได้เหมือนกันเขาก็กลับได้เหมือนกันก็ทําไปก็ได้จริงนะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ปวดเมื่อยอะไรนะมันก็ไปเรื่อยๆของเขก็เดินตรงกลๆไปเรื่อยๆไปมาหลงมั่งรู้มั่งหลงมั่งรู้มั่งหลงมั่งรู้มั่ ง, ง, ง, ง, งอย่างเงี้ยก็แบบสบายๆไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยพอมาดูรายการเอ๊ะ ทัแล้วเลยทั้บเดียวเหมือนกับเหมือนกับชั่วโ ม, มงเดียวเองเ่ยเหมือนกับชั่วโ ม, มงเดียวอพอมันพอปฏิบัติไปได้อารมณ์เนี่ยก็จะเกิดปิตินะเกิดปิติความอิม่มอกอิ่มใจนะความที่ความชิดหรือว่าความหุ้มสร้างอะไรกนะ็จะเริ่มลดลงนะจะเริ่มลดลงจะเกิดปิติความพอใจนะอันนี้ก็ ครั้ น, นี้ก็เดินได้แต่ว่าก็มีอย่างก็มีอุปสรรคเหมือนกันเรื่อยๆเหมือนกับที่เรามาปฏิบัติความง่วงความง่วงนี้ก็เป็นอุปสรรคใหญ่เหมือนกันความง่วงยอมรับเหมือนกันว่ายังไม่ผ่านเงินความง่วงเดินจงกมรมเนี่รู้สึกว่าเดินไปแบบเป๋ไปเป๋ปมาข้างท า, างจะชนต้นไม้อยู่ข้า ง, างนะมันง่วงขนาดนั้นนะยมแต่ก็ไม่ยอมแพ้มันง่วงก็ง่วงเดิน ไปบางทีก็หลับไปเงี้ยี๋ยพอตื่นขึ้นมาต้นไม้อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยบางทียกมือไปยกมือซักอย่างว่ามือเรายกไปนะแต่ว่าเราฝันไปตาเนี่ยหลับไปฝันแต่พอตื่นขึ้นมาอ้าวมือเรายกเลยเนี่ยมือเรายกอยู่อย่างนี้นะคล้ายๆว่ามันเห็นถางเห็นถางของฝันอยู่คล้ายๆว่ามันเห็นถางของฝันอยู่ตั้งๆที่มือเรายกไปอยู่อย่างเงี้ย ยกไปอยู่แต่ว่ามันหลับเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วมันก็ฝันไปทั้งหายนะ <c oughs> พอตื่นขึ้นมานีเอา้ามือเรายังยกอยู่อนะันนี้โอ้ขนาดนั้นเลยนะมันไม่ธรรมดาเราไม่ไม่ธรรมดานะสู้มันต้องสู้ขนาดนั้นนะถึงเอไม่ยอมแพ้ไม่ยอมนอนอก็คมม่วงนี่ตมานี้ก็แรงเหมือนกันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ แ, แ ต, แแ ต, แแต่แต่ละคนแต่ละท่านนะ บางรูปบางงท่านก็ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ท่านก็จะมีอาจะเป็นเรื่องโทสะมั่งแต่โทสะจะแรงบางรูปหรือว่ า, าเป็นเรื่องความโกรธนะควมบวชโทสะควาโกรธเนี่ยจะแรงหรือว่าการอื่นอ่งหรือว่าราคะไอ้พวกเนี้ยบางรูปบางท่านก็จะแรงแล้วแต่แล้วแต่แต่ละจริตของแต่ละท่าน นะแล้วเขาจะโกรธอะไรในเมื่อ เ, เขาอยู่กับเขาคนเดียวมันมันก็มีมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นจริตนิสัยฮะครับเขาเป็นจริตนิสัยเป็นคนชอบโกรธสมมติว่าส ม, สมมุติว่าอาตมาเนี่ยเป็นคนชอบโกรธเนี่ยเป็นคนที่โกรธเร็วมากเนี่ยออืเป็นคนที่ใครพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโกรธปุ๊บเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าคนแบบนี้เนี่ยมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจะเห็นทันทีเขาจะเข้าไปอยู่ในความโกรธทันทีเลยเหมือนกับว่าความปรุงแต่งเนี่ย ความปรุงแต่งที่อยู่ในจิตเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มปรุงแต่ง เ, เวลาเราไม่มีสติหรือว่าเราขาดสติเนี่ยเขาจะเริ่มปรุงแต่งแล้วสมมุติว่าสมมติว่าเขามีทะเลาะทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยพอพอเขาเดินตรงกลมไปเนี่ยจิตเขาก็จิตเขาก็ชิดไปถึงตรงนั้นใช่ไห ม, มเขาก็ปรุงแต่งไปหาคนนั้นอ่อาแล้วเขาก็จะเริ่มใจเขาเนี่ยจะเริ่มปวดขึ้นมาโดยอัตโนมันติเลยแม้กระทั่งอัตมาเองเนี่ย เรื่องที่เกิดตั้งแต่เป็นคาราวาสเนี่ยผ่านมาตั้งห้าปีพอคิดขึ้นมาเนี่ยพอคิดพอคิดเรื่องนั้นขึ้นมาเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันคิดขึ้นมาเองคล้ายๆว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันย้อนให้เองมาดูให้เรามาเห็นให้เรามาดูเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราก็ว่ามันนานแล้วปีที่แล้วก็เคยก็เคยเล่า น, นี้เรื่องนี้ให้ให้อาจารย์ตุ้มฟัง แต่ปีนี้ก็กลับมาอีกก็เรื่องเดิมนี่แหละก็เรื่องเดิมนี่แหละมันเกิดขึ้นมาอีกมันก็เหมือนว่าไปทะเลาะกับบินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมทะเลาะกับบินมอเตอร์ไซค์เขาแล้วก็เราก็มีการตีกันอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเราเข้าไปในตรงนั้นอันนี้พ claro> ูดถึงกีดนะมันเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วมันก็อ่าไปนึกตอนที่อ่าไปทะเลาะกันทะเลาะเล่นทะเลาะตังนี้เราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยเรามีปืนหรือมีระเบิดอะไรไหมเราถ้าจะไป อาจจะทําอะไรมันสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยมันจะเริ่มปรุงแต่งไปแล้วปรุงแต่งไปแล้วพอกลับมาพอเรากลับมาที่มีสติอย่างเงี้ยอ๋อเรามันเรื่องเก่านี่มันมันมาอีกแล้วมันเรื่องนี้มันชี้หน้ามันได้แล้วไอ้เรื่องความโกรธนี่เวลามันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยใจมันจะเต้นเองนะจ๊ะใจมันจะเต้นตึ๊บตุๆบตุ๊บแล้วหน้ามันก็จะเปลี่ยนสีมันจะเริ่มความโกรธขึ้นมาเลยอ๋อเราเห็นมาแล้วไอ้เรื่องความโกรธนี่ ถึงถึงบอกว่านี่แหละถึงบอกว่าให้เห็นอารมณ์ถึงถึงอารมณ์เก่าเกาถ้าถ้าเราอยู่วเชย์เนี่ยเราเราจะไม่มีความโกรธนะแต่มีเรามีใครมาด่าเราเนี่ยหรือว่ามาว่าเราเนี่ยหรือว่าเอาแล้วจิตจิตเราจะเริ่มปูมแต่งแล้วมันจะไม่ยอมนะเนี่ยมันจะไม่ยอมจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวานได้หรือว่าเราไม่สนใจอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะเหมือนกับพระพุทธเจ้า ที่ใครที่ครั้งกุศการเนี่ยมีคนมาจ้างจ้างที่ไปด่าวุฒิเจ้าเนี่ยวุฒิเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าพป็นวุฒิเจ้าทีน่นั่งคนนั่งเฉยไม่ดาไปด่าไปสามว <c oughs> ันสามคืนก็วุฒิเจ้าก็นั่งเฉยแต่คนแต่คนนั้นเน่ยมันเขาก็ด่าไปเขาก็ทุกข์คงของเขาเอง <c oughs> แต่ถ้าเกิดทำเราถ้าเกิดเป็นรับเอาเนี่ยเราก็คงจะไม่ยอมใช่ไหมแต่ถ้าพุฒิเจ้าที่ก็นั่งเฉยอย่างนี้ แล้วก็เออเราก็เห็นความโกรธแต่สุดท้ายก็ผ่านได้ผ่านผ่านได้ว่าอ๋ออันนี้มันตัวเก่านะเห็นเห็นชัดเจนนะพวกเราก็จะเห็นนะว่าบางทีเนี่ยเรื่องเก่าเก่าเรื่องเก่าเก่า ท, ที่ที่เรื่องไหนที่เรื่องไหนที่ที่ที่แบบว่าปิดใจเราหรือว่าเรากําลังจะทําอยู่เนี่ยเขาจัดกลับมาบ่อยๆครั้ง กลับมารีกลับมาเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งให้เราสนใจเขาให้เขาว่าเราจะหลุดไหมถ้าเกิดเรามีสติบ่อยๆเห็นเขาบ่อยๆดูเขาบ่อยๆเขาจะหลุดไปเขาจะหลุดไปนั่นกับว่านั่นกับก็นึกขึ้นมาก็นึกเห็นที่หลวงปู่เทียนไปสอนโยมเนาะหลวงปู่เทียนก็อมีบุนแกกับดินเหนียว หลวงปู่เท en ียนว่าโยนบุญแจไปอย่างเงี huh. ้ยโยนบุแจกไปติดฝาเงี้ยมันไม่ติดมันเด้งกลับมาหลวงปู่เทียนบอกว่าเออต้องปฏิบัติแบบนี้โยนไปแล้วก็หลุดเดินโยนไปแล้ก็หลุดเดินไปลงเกลือไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลวงปู่เทียนก็เอาดินเหนียวมาใช่ไหมโยนไปแล้วมันติดโยนไปแล้วมันติดโยนไปแล้วมันติดอ๋อเราก็นึกได้ว่ามันต้องหลุด่มันต้องผ่านไปผ่านไปผ่านไป บางทีก็นึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อก็จะหลวงพ่อคำเขียนก็จะบอกอยู่เสมอว่าอาให้เอาสติไว้ข้างหน้าเสมอไว้คืสติไว้ข้างหน้าเสมอถึงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็สติไว้ข้างหน้าเสมอสติไว้ข้างหน้าเสมอนะจะเป็นแบบนี้เ้าก็นึกได้เ้าก็ทําทําทําประมาณนี้นะก็ผ่านไปผ่านไปก็กลับมาอีก หลายครั้งหลายครั้งก็เราก็คิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสมมุติว่าก็อันนี้ก็ลองคิดเองนะสมมุติว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยแบบว่ามีประสบการณ์ที่จะเห็นมันน้อยหรือว่าไม่เห็นมันเลยเนี่ยหรือว่าไม่รู้จักมันเล ย, เยก็คงจะเป็นไปตามในสิ่งนั้นสิ่งที่ภรมิแต่งขึ้นมาสิ่งที่จิตมันปรมิแต่งขึ้นมา มีครั้งมีก่อนหน้านั้นก่อนที่ก่อนที่บวช ใ, ใหม่ๆเนี่ยมีครั้งหนึ่งก่อนที่บวช ใ, ใหม่ปฏิบัติทำเดินจงกรมแบบว่าสามเดือนข้าพรรษาเนี่ยแทบจะเดินจงกรมไม่ได้เลยมันจะปุงแต่งไปด้วยซ่อมแต่ทางถนนซ่อมซ่อมแต่ทางเดินจงกรม พอเดินไปหน่อยนึงเดินทางนี่มันขุบขามันดินมาเติมมาเติมไปอีกเดินไปอีกต้นไม้ยังขวางทางเออจอบมาสาบอีกอย่างเงี้ยมันจะมันจะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าเกิดเราไม่ทันไม่ไม่ทันอารมณ์ไปไปมาเราต้องไปสร้างทางจมกลมอีกทางหนึ่งอ่ะแต่ว่าทั้งพรรษาทั้งสามเดือนก็อย่างนั้นแหละทําแต่ทางจงกลมกับไอ้ซ่อมทางจงกลมอยู่นั่นแหละมันมันไม่ทันกับความคิดของมัน เนี่ยคือครั้งแรกเลยตั้งจําได้เลยว่าตอนบวชใหม่ๆมันมันเราจะไม่ทันอารมณ์ของเขาที่เขาลุมแต่งขึ้นมาก็คล้ายๆว่าท่านอยากท่นมีความอยากที่จะต้องราบลื่นจะต้องปฏิบัติแบบว่ า, า, าแบบไม่สะดุดอะไรเลยอย่างเงี้ยปฏิบัติแบบได้สติดีไปอย่างเงี้ยนะอันนี้มันคือความคิดทั้งหมดเลยมันเป็นความคิดทั้งหมดเลยเราเข้าเราไม่ทันความคิดเราก็ มีแต่ไปปรุงแต่งก็เห็นเพื่อนนะเพื่อนที่รุ่นหลังก็เหมือนกันเพื่อนบวชใหม่มารุ่นหลังก็อ่าซ่อมทางจมกลมเหมือนกันเราก็บอกว่าเอาแล้วเข้ามาในสูตรเข้ามาในในในในสูตรของเราแล้วในสูตรเดิมอยู่แล้วมันจะเป็นอารมณ์มันจะเป็นแบบทันไม่ทันคนวามจรก็ปฏิบัติไปก็เอาแล้วเอาดินมาผสมแล้วก็ขุดนู่นแต่งนี่เออมันเดินไม่ดีตา เอาน้ํามาลดมันเป็นที่แบบว่าทางเ น, เ ป, นเป็นการปรุงแต่งของจิตเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ทันของทันความคิดเขาก็เหมือนที่เห็นมาบอกอาจารยมานว่าเออเวลาเราปฏิบัติเราก็ให้เดินนานๆนะให้นั่งนานๆหน่อยไม่ใช่ว่าแล look, า้วลุกเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ย ว, ย ว, ย ว, ยวนั่งมันก็ว่าจิตมันจิต ม, ม, มันดินนะ้นรนจิตมันจิตมันดิ้น มันด่าแคหลอกเราอ่ะอยากจะอยากจะหลอกเราไม่ให้ปฏิบัติเอ๊ะนั่งดีกว่านะเนี่ยเห็นไหมเอ๊ะเดินดีกว่านะเนี่ยมันไปแล้ว <c oughs> มันไปแล้วเราต้องค่อยๆพิจารณาหลวงหลวงพ่อถึงบอกว่าเออหลวงพ่พับเกียรก็จะบอกว่าให้เราให้เราค่อ ย, อยค่อยค่าค่อยพิจารณาแบบว่าค่อยไปค่อยมาอย่างเนี้ย ตั้งแต่ตื่นนอนเลยหลวงพ่เอเขบอกว่าอค่อยๆพับข้าวหน่มค่อยๆเก็บที่นอนอย่างเงี้ยให้มีสติให้ค่อยๆทํานไปค่อยๆลาดับลํานําอย่างเงี้ยหลวงพ่อจะบอกอย่างงี้นะเออเราก็เออใช่อย่างที่หลวงพ่อบอกเรานะให้ค่อยๆไปถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไปเร็วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยมีสตินะเราไปตามความคิดใช่ไหมเราไปตามความคิดคืมื่อความคิดอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ้าวไปแล้วไปเอาแล้วแยากจะไปนูดเอเอไปแล้ว เราจะสังเกตว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ใบรุ่นน่ะจะอยู่คนเดียวยากนะอย่างน้อยอะต้องโทรศัพทนะ์อยู่คนเดียวไม่ได้โทรศัพท์หาเพื่อนแม่นก็นัดเพื่อนไปดูหนังไปฟังเพลงแต่อยู่บ้านคนเดียวยากถ้าเกิดไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะอันนี้จริงๆว่ามันก็เป็นการอาการของจิตทั้งนั้นให้เราเรียนรู้นะพอพอพอได้เจออารมณ์ แบบนี้ก็อย่างอารมณ์คม ง, ง่วงนี่อย่างโยมก็เหมือนกันนะก็บางทีมันก็หลุดนะเออบางทีมันเหมือนว่าเราเราจะสู้ก็ได้เราจะไม่สู้เหรือว่าเราจะท่านก็บอกว่าไม่ต้องสู้แต่ว่าก็ว่าไม่ต้องสู้มันก็ไม่ใช่มันก็ต้องสู้อยู่ถ้าเกิดว่าไม่สู้เราก็ต้องเราก็ต้องไปนอนใช่ไหมแต่นี่เราสู้อยู่แต่ว่าสู้แบบ สู้แบบมีแบบมีเทคนิคหรือว่าสู้แบบคล้ายๆว่าไม่ได้สู้ตรงๆเน่ยไม่ได้สู้ตรงๆแต่ว่ามันก็เวลามันเกิดขึ้นมาเราก็เดินตรงๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันก็หายไปเองความน่วงมันก็หายไปเองมันเกิดขึ้นแ้มันตั้งอยู่มันก็หายมันก็ดับไปเอสมันบางทีมันก็ หลับบางทีมันก็ไม่ผ่านกันส่วนมากท้านั่งท่านั่งยกมือเนี่ยส่วนมากเนี่ยมัเหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่ว่าล่ะหลับตัแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่ายกขนาดยกมือยกไปเนี่ยหลับมือยกนะแต่ตาลับไปไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่แต่พอเดินจงกลมเนี่ยจะรู้จะ ร, จะรู้จะรู้เท่าทันถึงมันจะง่วงมันก็มันก็ผ่านได้แต่พะทําไปทําไปมันก็อยู่ไม่นานน่ะมันก็ หายไปหายไปก็กลับมาอีกแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าอืมเราก็คิดคิดถึงครั้งอดีตไอ้รั้งพุทธการนะการแม้กระทั่งนะนะรพระโมคคัลลานะนะบรรลุพระสวสดาบัณ น, นะท่านยังไปปฏิบัติแล้วก็ท่านเป็นพระที่แบบง่วงมากเป็นนั่งตรงไหนก็หลับไปปฏิบัติตรงไหนก็หลับอย่างเงี้ยขนาดท่านถึงขนาดสวสดาบานนะัณแล้วพระพุทธเจ้าถึงได้ต้องเดินไปปวดท่านแล้วก็ อย่างที่พระอาจารทุ่มบอกว่าจะมีเทคนิคไปมีอุบายแก้หลายๆอย่างเปนมาว่าจำไม่ได้ว่าบางทีก็ทําให้ก็ให้มองของฟ้าไปแล้วก็ให้นึกถึงว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันไม่ใช่ตอนกลางคืนแล้วก็บางทีก็เอาอย่างที่อาจารุมว่าท้องเอไม้ไม่แยงหูหรืออะไรล้างหนะ้าอะไรสักอย่างเนี่ยหลายๆอย่างนานะเนี่ยมันมั น, ม, นมันหนักงานไอ้ผมม่วงนี่ก็ผมม่วงก็ผ่านไปก็มีอ่า บครั้งก็มีเรื่องอเรื่องอมันจะเป็นบางครั้งมันก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเข้ามาในอย่างเช่นแต่เรื่องความอดีตเก่าเนี่ยมันสัญญาเก่าเนี่ยสัญญาเก่านี่มันติดมันมันมันจะลบยาก มันเหมือนมันไม่เหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์นะที่ต้องกดอะไรนั่นดันดีเล็ดอะกดดีเล็ดแล้วก็เอนเตอร์แล้วก็หายไปอย่างเงี้ยมันสัญญาเก่าเนี่ยมันจะขึ้นมาปุ๊อมันจะลบได้ก็นึกถึงว่าเอ๊ตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันกี่วันใช่ไหมมันกี่ปีครับแล้วเราจะมาลบภายในไม่กี่วันเนี่ยมันจะลบหมดหรืออย่างเงี้ยก็คิดอันนี้ก็วิจรรยาเอกก็ก็ค่อย เราต้องค่อยๆลบค่อยๆลบค่อยๆลบแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวมันไเหมือนคอมพิวเตอร์ที่จะต้องเดลิททีเดียวแล้วก็กดเอนเตแล้วก็หายไปข้อมูลก็หายหมดอย่างเงี้ยก็ น, นิกขึ้นอยู่ว่ามันต้องค่อยปฏิบัติไปนะการปฏิบททัติธรรมอันนี้อันนี้คือปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาเองนะ <c oughs> ปัญญาที่เวลาเวลาเวลาปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นมาเองส่วนมากในปะฏิบททัติธรรมก็ มีเวลาเราจเจริญสติใช่ไหมมันก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วมันก็จะมีบรรดามันจะไล่ไปอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราทำแบบพุทโธหรือว่ายุคหนอพองหนอเนี่ยท่านจะเริ่มจากสมาธิก่อนอพอมีสมาธิแล้วก็ไปที่สติให้มีสติให้มีสติสตพอมีสติ แล้วก็จะมีปัญญาอันนี้อธรมาอันนี้อรมาก็คือไล่เรียงเองนะแต่ว่าผมพวกเรานี่น่าจะเป็นสติใช่ไหมจเจริญสติแล้วก็มันจะมีสมาธินะพอจะมีพอมีสมาธิเราก็จะเกิดปัญญาปัญญาที่ทำให้เราตลุดพ้นไดน้แต่พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องที่เวลาที่มันเกิดขึ้นเกิดปัญญาขึ้นมานี่ อย่างอย่างยกมาสักหัว่ข้อทำอย่างนึงเนี่ยมันแบบว่าเทศไปแบบยาวมากเลยนะโยมนะเทศแบบแตกฉานมากเลยนะปัญญาเลยแตกฉานมากแบบว่าอ อ, อาจจะถ้าเกิดเขียนเราเลยวถ้าถ้าเกิดเขียนจดไว้เนี่ยน่าจะได้สักสามสีหน้ากระดาษ น, นะแตบบ่ว่าเทศได้สวยงามมากเลยนะว่าปัญญาเกิดเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ใช่เหมือนกันมันเราก็ไม่เอาเหมือนกัน มันก็เคล้ายว่ามันมาหลอกเราอ่ะ่อกี้เมกี้มันมาตมืกี้มันมาเรื่องผมโกด์อ่ะสักพักหนึ่งอ่ะมาเรื่องธรรมะแล้วค่ะนี่จะมาเทศยบธรรมะแล้วเอาสักพักหนึ่งอ่ะเรื่องนี้ใหม่แล้วเรื่องเรื่องผมง่วงใหม่แล้วมันจะเป็นมันจะวนไปอย่างเงี้ยนะมันจะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยให้เราให้เร า, ใ ห, เราให้เราศึกษาไปเรื่อยๆ แต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปเราเข้าไปอยู่ในความคิดหรือว่าเข้าไปอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันก็ว่ามันก็ว่ามีมันก็ว่ามีมนามคนมาขายของผ่านหน้าเราไปถ้าเกิดเราไม่ซื้อเราก็ปล่อยให้เขาขาดไปแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเรียกเขาเข้ามาเราจะต้องเสียต่าต่างแล้วตอนนั้น ม, มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ เราคิดว่าเออถ้าเกิดเราอยู่เราดูเฉยเฉยเราเห็นเฉยเฉยเขาเขาก็ผ่านไปเฉยเฉยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราสนใจเขาหรือว่าเรียกเขาเข้ามาเนี่ยเ อ, อตอนนั้นเราเราจะได้เสียสตางค์เราจะคุยกันนานแล้วกะมันจะเป็นติดอารมณ์ที่ท่านบอกว่าติดอารมณ์ถ้าอย่างนั้นมันก็แบบอย่างนี้แหละที่เราให้มาฝึกให้มาฝึกแต่บางรูปบางรูปบางองค์นะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะถ้าพวกเราปฏิบัติ ก็อีกนานก็กว่าจะแบบว่าคล้ายๆว่ามันจะเป็นเป็นเป็นแบบคล้ายๆว่าท่านอยากจะบรรลุอ่ะท่านอยากจะภายในสี่สิบวันเนี่ยต้องบรรลุให้ได้อย่างเงี้ยท่านก็ไปปักปดอยู่หน้ากุฏิอาตมานะอากอาตมาอยู่ในกุฏิท่านก็ปักปวดอยู่หน้ากุฏินั่นแหล ะ, ะท่านก็ปฏิบัติมีได้อยู่สักอาทิตย์หนึ่ง ท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าท่านท่านเนี่ยท่านจะบระรลุแล้วท่านบอกว่าอยงั้นจิเลศก็ไม่มีเอความความคิดปรุงแต่งอะไรก็ไม่มีผมมีสติครบๆผมรู้ทั้งวันเออแต่มาโอา้ซาตูสาตู <c oughs> าก็ให้ปฏิบัติไปเรื่อยนะครับหลวงพี่ให้ให้มีสติไปเรื่อยมีสติไปเรื่อยๆนะครับครับครับรออีกวันลุงขึ้นมาเอผมเป็นยังไงไม่รู้ มันมันเหมือนมีเหมือนว่าเหมือนเหมือนเขามาบอกให้ผมทําทอย่างนู้นทําอย่างงี้ผมเดินไปผมก็ไม่รู้สึกเนี่ยผมก้าวเดินผมก้าวเดินเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมเดินอยู่อย่างเงี้อ้าวไปอย่างนั้นอีกแล้เนาะผมว่าไม่ใช่นะพี่พี่ต้องลงไปหาหลวงพ่อแลอาตมาก็บอกว่าให้เป็นให้ให้ให้เป็นให้ใ ห, ห, หลวงพ่อแก้ลวงให้นะลองดูว่าให้ลองไปปรึกษาหลวงพ่อดิว่มามันเกิดอะไรขึ้นแก แกก็บอกว่าเขาจะมาอยู่กับผมเนี่ยวันเดียวนี่แหละเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็จะไปอับเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆครับนอะแกก็ไปบอกนะกับ อ, กอีกหลวงพ่อห น, นึ่งก็ก็มาด้วยกันนะมาแกมาด้วยกันสอนลูกแกไปบอกหลวงพ่อห น, นึ่งว่าเนี่ยผมเห็นพญายนาคุมเทศให้พญายนาคฟังเนี่ยพญนาพญายนาคลงมาทุกวันเลยเประมาณแกก็อับหลวงพ่อใช่เลยผมก็มไปถามพ่อหลวงพ่ อ, อเคยเป็นไหม หลวงพ่อองค์นั้นก็บอกว่าผมไม่เคยเป็นหรอกครับผมไม่เคยเห็นนะครับพระยาน่าหลวงพ่อก็พระยาน่ามีกิ่งไหมแกก็ไปคุยกับหลวงพ่อองค์นั้นที่มาด้วยกันหลวงพ่อองค์นั้นก็บอกว่าแปลกแกว่ารู้สึกว่าจะแปลกพอมีวันหนึ่งพอมีอีกวันต่อมาวันต่อมาแกก็ก็มีอีกพระรูปหนึ่งที่อยู่งข้างตุ่กันอยู่ข้างอยูงข้างกันหละพาไปเดินชงกลมอีกพระรูปนั้นท่านก็คงจะบวชแล้วว่า ยังบวดไม่นานท่านคงจะบวชบวชยังไม่นานแล้วก็วิธีการาแก้อารมณ์หรื อ, อวิธีการปฏิบตัติท่านก็ยังไม่ถึงครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าท่านพาพาไปปฏิบัติธรรมพาไปไ ป, ไปปฏิบัติที่ลานห้งงองโถงไป2รูปมันพา ป, ปฏิบัติเองน่าจะแยกออกไปปฏิบัติเองแกบอกว่าไปปฏิบัติประนั้นจันทรุ้มไปสอบถามหลังจากเกิดเหตุ แกบอกว่าพาไปเดินสี่ชั่วโมงแกบอกว่าอาจารย์ลูกไปถามว่าแกพาไปเดินตรงๆสี่ชั่วโมงพาไปพาองคเนี้ไปเดินตรงๆสี่ชั่วโมงองนั้นก็บอกว่าเนี่ยนะสภาวะสภาวะสภาวะใกล้จะคล้ายๆว่าแต่ก็เคยเป็นเหมือนกันสภาวะนี้สภาวะอะอะไรรูปนามเนี่ยมันเราแล้วมันเป็นแบบนี้มันต้องผ่านแบบนี้ได้มันเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะพาไปปฏิบัติ พอหกโมงเย็นพอหกโมงเย็นอาตมาก็ได้เวลาส่งน้ำใช่ไหมอาตมาก็ว่าเอ๊ะใครมันใครมาขัางหมาไว้อยู่ในห้องน้ําร้องแบบเหมือนหมาเลายนะก็ไปนะ ท, ท, ท, ที่ที่พูดอย่างเงี้ยเปนเสียงจริงๆคล้ายๆว่าคนมีคนขังหมาไว้ข้างในห้องที่แบบว่าร้องเออเอออะไรร้องะกะโกนแบบแรงเลยนะเป็นอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึงนะ่งอะอาตมาก็เอขาบอกว่า ก็กำลังจะไปปล่อยก็ว่าจะไปปล่อยแล้วกำลังก็กําลังจะไปปล่อยห ม, มาพอไปเห็นแล้วอ๋อกขเป็นพรารูปนั้นจริงพระที่ท่านบอกว่าท่านจับกระโลท่านก็ไปก็เห็นก็เห็นท่านาท่านสระไม้ใส่นะะแล้วก็นุ่งสะบງแล้วก็อาบน้ํำอาบน้ํ า, า, า, าแล้วก็หนาวสั่นอย่างเง้ยลนะหนาวสั่นอาบน้ํ า, าแล้วก็ร้อง ร้องแล้วก็แล้วก็พรงที่อยู่ที่พาไปเดินตรงกรมท่านก็ท่านก็เข้ามาต่อไม้มาตีต่อไม้เล็กๆมาตีามีสติไหมไมีสติไหมไมีสติไหมมีสติไหมมีสติไหมท่านก็พระองค์นั้นก็เลื้อๆเลื้อๆเลื้อๆนะก็มีแต่ล้องใบร้องใมันคล้ายๆว่าแกเข้าไปอยู่ในความคิดเนี่ย เข้าไปอยู่ในความคิดเข้าไปลึกอ่ะไม่มีสติเราจะเห็นว่าคนที่คนที่เป็นบ้านนะโยนนั่นแหละเพราะว่าคนไม่มีสติคนที่เป็นบ้านใช่หลงคนที่ไม่มีสติมันกับคนคนที่เป็นบ้านเหมือนกันเลยแต่นี่เราก็เพิ่งเขียนอยู่เราเพิ่งแต่ว่าแกจะคล้ายๆว่า แกจะปฏิบัติเอาแบบว่าเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังไม่ฝันไม่ฝันแล้วก็เวลาความคิดขึ้นมาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแกก็เข้าไปอยู่ในในในร่องนั้นเลยไปเป็นผู้เป็นเลยว่า ส, สมมติว่าแกว่ามีพยา น, นาคมีอะไรมาแับแกเนี่ยก็นั้นแหะมันก็คือความคิดมือนกัความคิดของแกแต่ก็ไม่รู้สึกตัวพอเอาไม้มาตีเอาไม้มาตีแกก็คืนมานะ อ, อ อ, อแกก็คืนแต่แต่คอนี่จะบอกตึงมากคอเนี่ปวดไปหมดเลยตึงขาเนี่แข็งไมหมดเลยขาเนี่แข็งตึงไปหมดเลยแบบต้องไปนวดอ่ะก็เลยตัวโทราศาพาัพท์อาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มก็มาเออต้องมานวดมานวดช่วยเอายามาประครบมันวดช่วยมานวดให้นอนเลยหลังจากคืนนั้นไม่ต้องปฏิบัติไม่ให้ปฏิบัตินอนเลยให้นอนให้นอนผ่อนคลายไปคืนเช้ามาก็ท่านก็ ท่านไม่พายนั่นก็ว่าท่านไม่ยอมพายท่านไม่ท่านปฏิบัติต่อเวลาเข้าปฏิบัติต่อเนี่ยท่านก็เอาจริงใช่ไหมเป็นเพ่งเหมือนกับที่อาจารย์ตุ้มบอยบอกว่าเราอยากเพ่งถ้าเกิดมันเพ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้าไปในความคิดมันจะไม่ออกมาเป็นผู้ดูแกก็เข้าไปไปปฏิบัติอีกคราวนี้ก็เอาเองไปอาบน้ําจะไปซักผ้าทั้งกีวันทั้งอะไรก็เอาลงในกระลำบางอีก แช่หมดเลยแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ล้องอยูแล้วก็แกก็ซักผ้าไม่ได้มันจะมาคิดว่ามันอย่างอย่างมีอย่างตอนเช้าเนี่ยอย่างตอนเช้าตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยหลังจากวันนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยแกยังเบย์อยู่นะมันก็คนเมาคางกั น, นยังยัน <c oughs> แบบ เหล อ, ลอละๆหลายๆยังยังยังไม่กลับมาเลยนะต้องไปคอยกำชับให้ใส่สบงใส่กีบวรแกก็ทําไม่ถูกนะแกก็ทําไม่ถูกเหยีบกีบวรมาแกก็มาดูกีบอลอนนู้นอันนี้ต้องบอกต้องบอกว่าเอ้าใส่กีบวรอันนี้สบงอันนี้สบองเอาใส่ใส่ใส่เอาอันนี้ปกติเอวเอาอันนี้ปกติเอวใส่ใส่เลยแกก็ถึงใส่ใคล้ายๆว่ามันมีความคิดอยู่ตลอดเวลา มันอยู่ในความคิดตลอดเวลาเลยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทาอะไรก็พยายามบอกก็มีก็มีอยู่สามสี่รูปที่มันคอยดูกันก็ตคนหนึ่งอาตมาก็ใายบาตรให้แกแกก็บอกว่าเอา้าให้ลึลึกไว้นะว่าตอนนี้เราจะไปตักอาหารแล้วว่าตอนนี้เราจะห่มผ้าก่อนให้ห่มผ้าก่อนให้ห่มผ้าก่อนอย่างเงี้ยก็ใช้ายแบบว่าจะทําทอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องคอยทาทับอย่างนั้นนะอแล้วก็แกก็ค่อยทําไป ก็ไปได้นะก็ไปดีก็ก็ไปตักกระารได้หลังจากวันนั้นก็ล้มตะกคมไปอยู่กับล้มลตะกลมล้มตะกลมก็ออกไปไปคล้ายๆว่าเอาไปรักษาไปรักษาก็รู้สึกว่าจะยังไงมันคล้ายๆว่าอาจจะมีของเดิมของแกอยู่แต่อาจจะเคยปฏิบัติแล้วก็ อาจจะเคยเพียน ม, มาอย่างนั้นนะในชาตินี้ใช่อ๋อคุณ่ใช่คือเห็นแต่แรกคือเห็นแต่แรกมามก ไ, มไม่ปกติราคะที่เห็นกันแรกอายุเยอะอยังคะสามสิบสสิบกว่าก็ยังไม่เยอะก็ประมาณรัตามาเนี่ยามสิบกว่าสาสิบกว่าก็ควรจะไม่นานก็น่าจะห้าหกปีศานี่แหละ แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็แล้วตอนนี้ก็ญาติก็มารับไปแล้วโอ่ครัยังปวอยู่ครับยังปวอยู่แต่ก็ท่านยู่ที่คอหาชมันปวดที่โคราอแล้วก็น่าจะมีอาการทํางประสาทอยู่บ้างแต่ก็เหมือนซิสโซเฟเนียเนาะเหอยู่บ้างคือมีมีอยู่แล้วก็ คือเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้เขาปฏิบัติอะไระแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างอย่างทางเราแนะนำกันคือ <c ười> <c ười> คือเราเราจะแนะนำกันเรียกนี้ว่าคาเพียนคือการเพียนละความคิดไม่ได้เพียนจะอาอันนี้มันเพียนจะอาเอาไม่รู้ว่าตัวเองลอกอะไา มาันอะไรเนี่อะไรเนี่ยครับคือคือคือจริงจริงแล้วมันคือบรนเป็นการปฏิบัติของเราแต่ละคนมันก็คือถ้าถ้าอย่างพวกเราใช่ไหมครับพวกเราก็จะไม่ลหเหรเล่นล่อนนะเราก็มีหลวงพ่อเป็นคุบาลจานใช่ไหมครับเราก็ถือว่าเราก็ดูแบบอย่างแล้วเราก็อยู่อย่างนี้บางคนแบบว่า ไม่ไม่พอไม่หยุดพอใจสักทีเดี๋ยวก็ไปทางนูน้นเดี๋ยวก็มาทางนี้คือไม่ได้เรียกสแสวงหาไมได้เรียกอยู่ไม่เป็นสุขคือคําว่าแสวงหาน<ช>ี่คือมีเป้าหมายที่ดีนะอเรียกว่าช้อปปิง้งแต่ว่าแต่ว่าคําว่าอยู่ไม่เป็นสุขคือเหมือนกับว่าอก็ใช่ไหมไอ้รรรนั่นก็เหมันพยายามหาทางลัดอยนัอคะอย่างได้ทางลอดก็อย่างเดียก็อย่างเดียก็คือก็คือแต่ว่า แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในการปฏิบัติในเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยให้เขามรู้สึกว่าจะเอาให้ได้จะต้องเอาให้ได้ซึ่งอันนี้คือความคิดเต็มๆเลยอ่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นะหมายถึงถ้าพวกเราเขียนที่จะละความคิดใช่ไหมถ้าเราก็จะบอกกันหอดว่าถ้าใช่ไหมฮะรู้ว่าคิดก็กลับมาก่อนรู้ว่าคิดก็กลับมาก่อนคือในทางการปฏิบัติของทางเราเเราจะไม่ คือเรามีเป้าหมายอย่างเงี้ยเราจะไม่หลงนานนะเราจะไม่หลงนางนคือหลงก็อ้ อ, อคิดอีกก็หล่ออะไรเงี้ยอ๋อเราก็จะไม่ให้เราจะกลางแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือบางทีคือบาง ท, องทีอย่างที่บอกนะปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์หรือเปล่า หรือปฏิบัติที่เอามาคุยกันว่าไทยไปถึงไหนอย่างเงี้ยเชอร์เมหะอย่างเงี้นย น, น, นี่นี่คือนี่คือตรงเนี้ยนะมันมันจะมีมันจะมีสิ่งที่พระเจ้าก็ได้เตือนแล้วในการอวดอย่างสมมติฐานว่าเวลาการบวชเนี่ยจะมีการบอกกันเลยนะว่าอย่าอวดอุสลิกว่าตัวเองมีแล้วเป็นแล้วยาเด็ดขาดคือมันคืออุปทานที่มามันเป็นอุ ป, า ท, า ท, า ป, อปาทานที่มาทําให้เรา มันเป็นอุปทานน่ะเนาะใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยก็ผิดนะอุปทานคือคืออุปทานนี้มันจะมามันจะมาสมมันจะมาสมเข้ามาให้เราให้เราให้เรามีปัญหาคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกันคือถ้าอย่างเราใช่ไหมฮะอย่างอย่างเราเราได้รับคําแนะนำอย่างเงี้ยเราก็จะครูบาอาจารย์แนะนําเราก็จะจํานะใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยว่าเออนี่เราทําไม่ได้นะอะไรเงี้ยต่างต่าง ดันั้นตรงนี้ฮะมันจะเป็นตรงที่คือทั้งหมดทั้งหมดทั้งบวเนี่ยก็เขาเรียกว่าการปฏิบัติอย่างอย่างที่เราอย่างที่เราปฏิบัติกันคือถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าเทียบง่ายที่สุดเลยถ้าวันนี้เราไม่อยู่ที่นี่เนี่ยเราอยู่ข้างนอกเนี่ย วันนี้มีอะไรบ้างที่เราจะแบบว่าเกิดเดือนนี้ร้อนใจไหมใช่ไหมฮะมันก็เห็นน่ะใช่ไหมฮะว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกวันนี้อาจจะหมดตัวไปหลายตังค์ <laughs> ใช่ไหมฮะเพอย่งนี้คือแค่นี้เองก็ดีแล้วอะ่ะใช่ไหมฮะจะเอาอะไรอีกอนะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ดีเป็นวันๆอะ่ะมันดีดีเป็นวันๆอยู่แล้วอะอย่างเงี้ยอยู่ในสองวันสามวันก็อย่างน้อยสุเสื้อผ้าก็ไม่เปลืองจะไหมฮะก็เราก็ใส่เท่าที่มีจะไหมฮะ สักๆหมุนๆเป็นเมียอยู่ครึ่้ๆเดี๋ยวตัวนั้นก็สวยเดี๋ยวตัวนี้ก็สวยจะหาใหม่อีกครับใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยฉะนั้นนึเหมือนแตเนี้ยว่าคือพอเพีงแค่เราเริ่มยอมที่จะปฏิบัติตรงนี้มาได้แล้วเรียกวได้แรับแต่ถ้าเริ่มคิดไม่อยากจะได้ก็ก็ไม่ใชนหรกคือเราได้แล้วเร่องอยากอะไรอีกใช่ไหมคือนี่มืเราได้อยู่แล้วเต็มๆใช่ไหมฮะปฏิบัติแล้วคิดว่าจะต้องบรรุบรรุอะไรใช่ฮะก็แค่ความคิดเริ่ ก็ใช่ก็คือนี่นี่คือหลงก็ไปคิดแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองมีอยู่แล้วได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมีอยู่แล้วได้อยู่แล้วคือตรงนี้มันมันมันคือเราเราไม่เห็นใช่ไหมก็อย่างที่คุณเจ้าบอกว่าปฏิบัติได้และให้ผลได้ถ้าเราเริ่มลงมือทำเราได้แล้วคืออย่างด้วยใจบันทามอย่างเมื่อก่อนในนาที่แนะนําการปฏิบัติโดยตัวเองก็จะแนะนําด้วยการเริ่มต้นที่ปฏิบัติด้วยกัน หลวพ่อยกมือยกมือด้วยนะใช่ไหมครัก็คือให้ปฏิบัติตามตามตา ม, ตามไปเนี่ยถ้าภายในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่าเมื่อกี้ผิดใช่ไหมเจอไหมฮะอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ผิดเพราะอะไรทุกคนก็จะบอกผิดเพราะคิดอย่างเงี้ยอ้าวก็นี่ตัวเองก็รู้แล้วนี่ใช่ไหมฮะนี่คือเมื่อกี้มีสมาธิใช่ไหมฮพอมีสมาธิก็ทําไม่ผิดแต่พอขาดสมาธิเพราะว่าเผลอไปคิดก็ทําผิดอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าที่เรารู้เรียบร้อยแล้วนะว่าการผิดขึ้นมาจาก การไม่มีสมาธิแล้วก็ความคิดมันเข้ามาแทรกเนี่ยคือแค่นี้เองเนี่ยถ้าเรารู้ก็ต้องเราก็ต้องคอยระวังใช่ไหมครับเธอวิจิตก็กลับมาใหม่เธอวิจิตก็กลับมาใหม่อยู่เนี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นตรงนี้ด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยคือเราได้แล้วเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่เรามานั่งหามันอยู่ตรงไหนนี่แหละไอ้ที่มันอยู่ตรงไหนมันคิดเต็มๆไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะเอ๊ความรู้สึกเป็นยังไงก็เอ๊ความรู้สึกเป็นยังไงมันก็คิดไปเรียบร้อยแล้ว อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความคิดมาบังความรู้สึกถ้าเราไปติดอยู่กับความคิดความรู้สึกเราก็เราก็ไม่มีใชหมว่าใจเราเนี่ยเราสังเกต ด, ดูใจเนีมันจะมีอยู่แค่ครั้งครั้งหน้าอั น, นะะถ้าเรามันรู้สึกตัวความคิดมันก็หมดถ้าเราไปโยู่ความคิดความรู้สึกตัวก็ไม่มีอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนั่คือตรงนี้คือเราอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นเพ่าะนี้เห็นแบบว่าสิ่งที่พวกเราเองเราอาจจะคุ้นเคยกันก็คืออยากได้เร็ว อยากได้เยอะๆใช่ไหมฮะอยากได้เร็วๆแล้วอยากได้เยอะๆตรงนี้ยที่มันเป็นปัญหามากๆแล้วเรานี่เป็นนิสัยมันเป็นนิสัยของเราพอมันเป็นนิสัยเดิมอันเนี้ยแล้วมันนิสัยเนี้ยขึ้นมาอยากได้เยอะๆใช่ไ้ยฮะอยากได้เร็วๆตรงเนี้ยมันก็ผิดทางนะผิดไปเลยอย่เลยคือทางพูดเนี่ยยั้งอาไม่ก่อนใช่ไหมฮะยั้งอะไรก่อน ช้าหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ใช่ไหมอยากได้เยอะๆอยากได้เร็วไม่มีอย่างเงี้ยนั่นนั่นนึงคตรงนี้เขาให้เราก็ได้เลยอาย่างทีคขึ้นมาว่ากลัวตายไปก่อนก็นี่แหละฮะก็ก็เราเชื่อความคิดเชื่อความคิดอีกแล้วใช่ไหมฮะคือบ่อยคิดขึนมาคือให้เราระวังให้เราระวังตรงนี้กันเลยเรื่องเรื่องปัญหาเรื่องปัญหาการปฏิบัติ อุปสรรคที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องความคิด น, น, นั่นนั่นคือจะบอกให้พวกเราพอเวลาเริ่มปฏิบัติเนี่ยให้เราวางความคิดไปก่อนเลยหักบ้างก่อนเลยอย่าหักถือเพรเราถือมานได้เราคือบอกัดวางไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามบางก่อนบางก่อนบางก่อ น, นแล้วพอมันเป็นนิ้มใสเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเราจะเห็นได้เลยว่าเราโล่งมาหลายวันแล้วเฉี่ยพอดี <c oughs> <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์ประจันตองหนิงก็จริงๆแล้วก็บวชครั้งที่สองจำได้ว่าเจอครั้งบนเห็นแรกครั้งแรกที่เจอบอกว่ารู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้ฟังที่สองหมือนเลว่าคือบวชบวชรุ่นแรกนี่ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าเอาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าถึงยี่สิบสี่ก็บวชหลายต่างๆ สี่ห้ารห้าเปอรรบรก้าเปอแล้วก็ก็อะไรนะเขาเรียกว่าศึกไปสักห้าปีเก้าปีก็เ้าปีเหรอจับแม่นจังมีความสงสัยอยู่ครับมีความสงสัยอยู่โอ้ยนานเนาะเก้าปีเนาะอือรอบแรกก็มาบวที่สุกโตนเนี่ยหรอคะ ก็คนที่คันแกนมารอบแรกคนที่คอนแกนแล้วก็แล้วก็ได้มาจำภาษากับหลวงพ่อปีหนึ่งน่าจะปีสามเก้าหรือปีสี่ศูนย์เน่ยที่มาจําภาษาที่สุโขทตุกับหลวงพ่ออยู่ตอนนั้นก็มีพระน้อยๆสักประมาณสักแปดรูปหรือเก้ารูปนี่แหละก็มีอาจารย์ดูจิอาจารย์เพรศานรู้สึกว่าไม่รู้ว่าอาจารย์หลวพ่อชาญอยู่แบบไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นก็มีพระไม่เยอะเท่าไหร่ ก็ก็มาปฏิบัติก็ได้ตั้งแต่นู้นแหละก็เหมือนเหมือนมืนมืนกับว่าอมได้เห็นจิตใจตังแต่นู้นแหละแต่ว่ามันก็ยังยังยังสู้ยังยังสู้กันอยู่แล้วก็ใกล้ๆว่ามันมีเหตุมีปัจจัยที่ให้เราออกไปอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็เป็นช่วงที่ยังหนุ่มอยู่ยว่ากันว่า คืออย่างที่มาชาบอกบางครั้งคําว่าดวงตาเห็นธรรมก็เหมือนแบบนี้นะว่าเราก็พอรู้นะว่าเราควรจะต้องทำยังไงแต่พอเราไม่ทำใช่ไหมฮะอันนี้มันก็ก็ไม่ได้คือตรงนี้มันมันสำคัญมนก็บางครั้งมันก็เหมือนว่ามันก็มันเหมือนกับบุญมีน่แต่กรรมมบาง แ ล, ล้วลกรรมก็มาดึงต่อไปอย่างนี้ไปก็มันยาวใช่ใช่ก็ราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกความเพียรที่ที่เป็นความเพียรที่ต่อเนื่องถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเพียรที่ผิดทางบ้างอะไรก็ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นอาิษฐานยังเป็นความเพียรอย่างนี้อย่างที่คุณถักว่าไปทันโลกเก้าปีใช่ไหยครับ ก็เรียกบ้าเราก็หลุดไปเลยไม่มีความเรียนเหลืออยู่เลยก็เพลิเพลินเลกับใช่ไหมครับเพลิเพลินไปตรงนั้นก็หมายถึงว่าเราก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าครั้งก่อ น, นรู้สึกเมื่อมันก็มีบุญอยู่นะบุญบุญมอนก็ว่าเออยังได้กลับมาบวชอยู่มันก็รอด เราตุงาตายหลายครั้งเหมือนกันมันน่าจะตายเป็นหลายครั้งเหมือนกันก่อนที่ตอนที่ออกไปเนี่ยเออแต่ก็ยังแต่ก็ยังบวญกลับมาที่จะมาบวชก็ออบอกเนี่ยถึงแม้ว่าคนที่ได้บวชเนี่ยถึงงว่ามีบุญนะก็อบอกว่าเอออาจจะเป็นบุญที่ได้ทํำใ้ตอนที่มาปฏิบัติเนี่พราาว่าตอนออกไปเนี่ยโหคิดว่ารอดตายมาได้เนี่ยก็เออก็ถือว่าตัวตัวเองก็ยังมีบุญอยู่ก็เห็น ก็เห็นรีบมันอันนี้อยู่ไม่ทราบว่าถ้าที่ออกมาตอนตอนช่วงวัอไหนร่มกราคดา20วัน่10 10 20พฤษภิกาถึง1กราคดาก็คือถึงถึง30วันที่30วัน40วัน40วัน40วันก็มีทุกปีเคยอยากไปดู ไม่ได้หรอกใช่ไหมก็จะเป็นทุกปีครับที่ของคารวะก็ก็มีก็มีคารวะนย่นอยู่ปีนี้ก็จะมีน้องของแม่ชีคนหนึ่งที่ไม่เคยปฏิบัติเลยนะฮะแต่ก็คือเราก็คอยคอยกำกับเขาว่าก็ปฏิบัติยาวชิงเอาจังวางจิตวางใจดีๆก็ก็พูดคุยกับเขาก็พูดคุยกับเขาอยู่แล้วเขาเองเขาก็เหมือนกับสิบวันแรกเขาก็ มาทํามัดมาทำมัดสวดมนต์นะฮะแล้วก็สามสิบวันถัดไปเขาค่อยๆเข้าไปก็เขาก็ไปได้ดีนะไปเอ้ยอยู่ดีทําไมเขาต้อมาตุ้มเดียวสี่สิวันไม่ไม่ชี้เขามีพี่เป็นไม่ชี้อ๋อจริงจพี่เป็นได้ชี้แก็แบบพวกปัญหาชีวิตหรือะไรนะเขาก็ดีก็ดีก็คือแม่พี่พี่ก็ชักชวนเลย คือฝันที่พี่เป็นไม่ชีพี่ก็อยากจะให้น้องได้เข้ามาทางถังแล้วพี่เขาก็พี่เขาก็ไม่ชีอะไรคะแม่ชีปุ๊บอ๋อแม่ชีปุ๊บอ้าวเดี๋ยวพวกเราอ่ครับคือปักที่ นอนกันทั้งสามคนห้องก็มีอีกยังกลัวอีกล้อจะถามตีเลยจ้ะถ้าคนไม่กลัวต้องีาเข้าใจคนไม่กลัวจะไม่เข้าใจคนมีกลัวมากบาคนนี้ก็กลัวไหนลองคุยกันดูสิันอาจมาว่าไม่ใช่กลัวปีกลองดูดีๆว่าไม่ใช่กลัวปี คือหลักๆพักอาจารย์โดนใครบอกจังๆนั่นเลยก็เหมือนจินตนาการว่ามันยังสมาวังอยู่ใช่แตเป็นจริงกับจินตนาการก็แต่จริงๆที่เรากลัวนี่ก็เพราะความิดเราผีค่ไนจริงความคิด่เราไปกลัวนันมลยก็ยังแบนตไมก็ความกลัวแต่้มันไม่กลัวจริงๆก็กลัวแต่กจริงจริงจริงจริงแต่ก็พอคนพบจริงๆมันกลัวความเืดตองนี้ก็กลว จริงๆแล้วไม่ใช่กลัวผีอ่ะกลัวตายไม่ได่กลัวตายนะพาร์านแล้วตอนแล้วตอนจุดๆนั้นเลยอะในสภ า, า, าวบันเป็นโกหกก็บางคนเขาก<ะ>็ใช้สวดมนต์แผมเมตตาอะไรไปคือหนูว่าก็เคยนะคะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนะั้นอะหนูก็อาศัยแบบเครื่องราง